เป็นบุญอย่างหนึ่งที่เกิดจากการให้ทานค่ะก็มีคนชอบทํากันเยอะแต่บางทีเนี่ยเราอยู่ในสังคมรู้จักคนนั้นคนนี้บางทีมีคนมาเล่าให้ฟังให้จิตเศร้าหมองอ่ัท่านค่ะเช่นวัดเนี่ยมีวัวอยู่ตัวเดียวเนี่ยโหได้ตังทั้งไม่รู้เป็นกี่แสนต่อกี่แสนเลยวัวที่เราคิดว่าจะถ่ายชีวิตก็ยืนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะวางจิตวางใจยังไงดีเราหวาดมากค่ะท่านค่ะก็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 ผลบุญอันนี้สูสูงกว่าไหมคะสีเป็นอย่างนี้คือสีเนี่ยมันมีความละเอียดของสีเป็นขั้นเป็นตอนคะ่ะ อ, อย่างคารวาส ท, ที่ละเอียดขึ้นมาอีกนะเขาก็จะมีสีแปค่ะนะพระสงฆ์งเองเนี่ยที่ว่าสี hall, สีเนี่ยคือสีที่ปรับความผิดเนี่ยมีอยู่150ค่ะนะปรับความผิดแต่ที่จรงแมงไม่ปรับความผิดอย่างอื่นก็เป็นศี hall, แต่ไม่ปรับความผิดค่ะนะเป็นวิธีดําเนินชีวิตตามปกติที่คุณต้องมีเช่นนั่งดื่มน้ำอย่างเงี้ย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 กรมคุณที่ว่าอยู่จะไม่ได้ไปเมาหมกกำหนัดมัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินในกามใช่แต่งไปตามความจำเป็นตามความจาเป็นมันมีประเด็นตรงนี้คืออรมามีผู้ปฏิบัติคนหนึ่งเขาเขาก็พอเขามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาก็ไม่แต่งตัวเลยเมื่อความเป็นคนสวยมากนะพอมาปฏิบัติแล้วก็ไม่แต่งตัว่ อ, อยผมก็เซิกกเรกรเซิงผมก็งอกแล้วก็